ภิกษุสัมมเนนช่วยกันพยาบาลไข้ส6มสมัยนั้นภิกษุและสัมมเนนช่วยกันพยาบาลภิกษุไข้เธอได้รับการพยาบาลอยู่ได้มรณภาพลงลำดับนั้นภิกษุผู้พยาบาลไข้ได้มีความคิดดังนี้ว่าเรา พึงให้ส่วนจีวรแก่สามเณรผู้พยาบาลไข่อย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้มอบส่วนจีวรแก่สามเณรผู้พยาบาลไข้เท่าๆกันสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง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 เราอนุญาตให้สงมอบไรจีวรและบาดแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้บรรดาสิ่งของเหล่านั้นเราอนุญาตให้สงพร้อมใจกันแบ่งลหุพันธ์และละหุบริขารส่วนครุพันธ์และครุบริขารเป็นของสงผู้อยู่ในจตุรทิศทั้งที่เดินทางมาและยังไม่มา เป็นของที่ไม่ควรแจกไม่ควรแบ่ง